ท่านเมตตคูทูลถามว่าข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงละทุกข์ได้แล้วเป็นแน่เพราะธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วคำว่านี้เนื้อคำว่า ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้แก่พระวาจาคือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนคำว่าชอบใจได้แก่พอใจชอบใจคือเบอิกบานใจอนุโมทนาต้องการยินดีทูลขอปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวัง คำว่าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระผู้ทรงองอาจกว่าอนรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่า ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คำว่าตรัสไว้ดีแล้วในคำว่าข้าแต่พระโคดมทําที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอธิบายว่าตรัสไว้ดีแล้วคือตรัสบอกไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วกำหนดไว้ดีแล้วเปิดเผยไว้ดีแล้วจาแนกไว้ดีแล้ว ทำให้ง่ายไว้ดีแล้วประกาศไว้ดีแล้วรวมความว่าตรัสไว้ดีแล้วคําว่าข้าแต่พระโคโดมทําที่ปราศจากอุปธิอธิบายว่ากิเลส ข, ขันและอภิสังขารตรัสเรียกว่าอุปธิการละอุปธิความเข้าไปสงบอุปธิความสลัดทิ้งอุปธิความระงับอุปธิชื่อว่าอมตะนิพานรวมความว่า ข้าแต่พระโคดมทำที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วคำว่าเป็นแน่ในคำว่าพระผู้มีพระภาคทรงละทุกได้แล้วเป็นแน่เป็นคำกล่าวโดยในเดียวเป็นคำกล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคำกล่าวโดยไม่เคลือบแคลงเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองอย่างเป็นคากล่าวโดยรักกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิด คำว่าเป็นแน่นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้วคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคำกล่าวโดยความเคารพคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการ ญ, ญักคำว่าทรงละทุก์ได้แล้วอธิบายว่าทรงละคือทรงละทิ้งบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปทำให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งชาติทุกขชะราทุกข์ มรณทุกข์โสกะปริเทวทุกโทมานัตอุปายาทุกขรวมความว่าพระผู้มีพระภาคทรงละทุกข์ได้แล้วเป็นแน่คําว่าเพราะธรรมนี้พระองค์ทรงทราบชัดแล้วอธิบายว่าเพราะธรรมนี้พระองค์ทรงทราบคือทรงรู้เทียบเคียงพิจารณาทําให้กระจ่างทําให้แจ่มแจ้งแล้วรวมความว่า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 ทุนถามว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดย่อ น, ออน ช, น แ, น, น, น, ชอนแม้เหล่านั้นพึงละทุกข์ได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนามสการพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดย่อนบ้างคำว่าชนแม้เหล่านั้นในคำว่าชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกได้เป็นแน่ ได้แก่ประสัตรพราหมณ์แพสูตรครหัสบรรปชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าพึงละทุกข์ได้อธิบายว่าพึงละเพื่อพึงบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาทิทุกข์มรณะทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาทุกขรวมความว่าชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกได้เป็นแน่ คำว่าชนเหล่าใดในคำว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดยอนได้แก่กระศัตรพรามแพทย์สูตรครหัตวันประชิตเทวดาและมนุษย์คำว่าพระองค์เป็นคำที่พรามเรียกพระผู้มีพระภาคคำว่าพระมุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะ พระองค์ทรงก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาขายได้แล้วชื่อว่าพระมุนีคําว่าตรัสสอนไม่หยุดหย่อนได้แก่ตรัสสอนไม่หยุดหย่อนคือตรัสสอนโดยเอื้อเฟื้อตรัสสอนหนึ่งเนืองตรัสสอนบ่อยๆคือพร่ำสอนรวมความว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดหย่อนคําว่าพระองค์ในคําว่า เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์เป็นคําที่พราหมณ์เรียกพระผู้มีพระภาคคําว่าขอนามัสการอธิบายว่าขอนามัสการคือขอสักการะเคารพนับถือบูชาเรื่อกายวาจาใจด้วยการปฏิบัติเอื้อประโยชน์หรือด้วยการปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมคําว่าจึงมาพบ ได้แก่จึงมาพบคือจึงมาประสบมาหามาเฝ้าแล้วขอนาัส ก, การพระองค์เฉพาะพระพักว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคคาว่าผู้นาคอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคเพราะไม่ทรงทาความชั่วพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคเพราะไม่ทรงถึง พระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงทําความชั่วเป็นอย่างไรคือบาปอากุโสณธรรมทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองก่อพบใหม่มีความกระวนประวายมีทุกข์เป็นวิบากเป็นที่ตั้งแห่งชาติชราและมรณะต่อไปตรัสเรียกว่าความชั่ว สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าซัพิยะบุคคลผู้ไม่ทำบาปแม้เล็กน้อยในโลกสลัดสังโยคเครื่องผูกพันได้ทั้งหมดไม่ติดข้องอยู่ในธรรมเป็นเครื่องข้องทั้งปวงเป็นผู้หลุดพ้นดำรงตนมั่นคงเช่นนั้นบัณฑิต ท, ทั้งหลายเรียกว่านาคะพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงทาความชั่วเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคชื่อว่านาคะเพราะไม่ทรงถึงเป็นอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคไม่ทรงถึงชั้นทาคติลำเอียงเพราะชอบไม่ทรงถึงโทสาคติลำเอียงเพราะชังไม่ทรงถึงโมหาคติลำเอียงเพราะหลงไม่ทรงถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวพระองค์ไม่ทรงดำเนินไปด้วยอํานาจราคะไม่ดำเนินไปด้วยอานาจโทสะไม่ดาเนินไปด้วยอานาจโมหะ ไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจทิฏฐิไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจมานะไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอุทจฉาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจวิจิกิจชาไม่ดำเนินไปด้วยอำนาจอนุัยได้แก่ไม่ทรงดำเนินไปไม่เสด็จออกไปไม่ทรงถูกพาไปไม่ทรงถูกนำไปด้วยธรรมที่กรอความเป็นฝักเป็นฝ่ายพระผู้มีประภาพชื่อว่าผู้นาคเพราะไม่ทรงถึงเป็นอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่ทรงกลับมาหาเป็นอย่างไรเพื่อกิเลสเหล่าใดพระผู้มีพระภาคทรงละได้แล้วด้วยโสดาปติมักพระผู้มีพระภาคไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกกิเลสเหล่าใดพระผู้มีพระภาคทรงละได้แล้วด้วยสกทาคามิมักด้วยอนาคามิมักด้วยอรหัตมัก พระองค์ไม่เสด็จมาไม่เสด็จกลับมาไม่ทรงหวนกลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีกพระผู้มีพระภาคชื่อว่าผู้นาคะเพราะไม่กลับมาหาเป็นอย่างนี้รวมความว่าข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์คำว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้างได้แก่ ขอพระผู้มีพระภาคพึงตร well. ัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนเคอพึงตรัสสอนโดยเอื้อเฟื้อตรัสสอนหนึ่งเนืองตรัสสอนบ่อยๆเคอพร่ำสอนบ้างรวมความว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้างด้วยเหตุน hmm? ั้นพราหมณ์นั้นจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดหย่อนชนแม้เหล่านั้นพึงละทุกขได้เป็นแน่ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงมาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะข อ, อนมัส ก, การพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาค พ, พึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวลไม่ค้องในการมาพบข้ามโอคาได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตหมดความสงสัยแล้วว่าด้วยบุคคลได้ชื่อว่าเป็นพรามคำว่าบุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวทอธิบายว่าคาว่าพรามอธิบายว่า ชื่อว่าพรามเพราะลอยท ร, รเจตประการได้แล้วคือหนึ่งลอยศักกยทิกิได้แล้วสองลอยวิจิกิจชาได้แล้วสลอยศีลปตะปรามาได้แล้วสลอยราคะได้แล้วหลอยโทสะได้แล้ว 6. ลอยโมหะได้แล้วเจลอยมานะได้แล้วคือพรามลอยบาปอากุศลธรรมซึ่งเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง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 ไม่มีตันหาได้ทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามคำว่าผู้จบเวทอธิบายว่ายาในมักสีตรัสเรียกว่าเวทพรามนั้นก้าวล่วงเวททั้งโป่งแล้วชื่อว่าผู้จบเวทคำว่าที่เธอรู้จักได้แก่ที่เธอพึงรู้จักคือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอด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 เครื่องกังวลเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าไม่มีเครื่องกังวลคําว่ากลามได้แก่กลามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกลามสองกิเลสกามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกลาม เหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมค ำ, 2, ค, 1, คำว่าพบได้แก่พบสองเพอหนึ่งกรรมภพสองพบใหม่อันมีในปฏิสนธินี้ชื่อว่ากรรมภพนี้ชื่อว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิคำว่าไม่มีเครื่องกังวลไม่ข้องในกรรมภพอธิบายว่าบุคคลผู้ไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องเพอไม่เกาะติดไม่เกี่ยวพัน ไม่พัวพันออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องในกลามาพบมีใจเป็นอิสระจากเครื่องกังวลอยู่รวมความว่าไม่มีเครื่องกังวลไม่ข้องในกามาพบคำว่าโดยแท้ในคำว่าข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้เป็นคำกล่าวโดยในเดียวคำว่าโดยแท้นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้ว คำว่าโอคะได้แก่กามโมคะพอโวคะทิโถโคะอวิโชคะคำว่าข้ามได้แก่ข้ามไปข้ามพ้นก้าวล่วงล่วงเลยรวมความว่าข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้คำว่าข้ามในคําว่าเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตหมดความสงสัยแล้วอธิบายว่า บุคคลข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงก้าวพ้นล่วงพ้นกามโมคะพโวคะทิโถโคะอวิโชคะและทางแห่งสงสารได้แล้วคือบุคคลนั้นอยู่ในอริวาสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วผ่านทางไกลได้แล้วถึงทิฏนิพพานแล้วถึงจุดจบนิพพานแล้วรักษาพรหมจรรย์ได้แล้วถึงทิิอันสูงสุดแล้ว เจริญมรรคได้แล้วละกิเลสได้แล้วรู้แจ้งธรรมที่ไม่คำเร er oh. ิบแล้วทมนิโรธให้แจ้งได้แล้วท่านกำหนดรู้ทุกได้แล้วละสมุทัยได้แล้วเจริญมรรคได้แล้วทมนิโรธให้แจ้งแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งแล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ได้แล้วละธรรมที่ควรละได้แล้วเจริญธรรมที่ควรเจริญได้แล้ว ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งได้แล้วบุคคลนั้นถอนลิ่นสลักคืออวิชชาได้แล้วถมคูคือกรรมได้แล้วถอนสาระเนียดคือตัณหาได้แล้วไม่มีบานประตูคือสังโยตเป็นผู้ไกลจากฆาสึกคือกิเลสปลดทงคือมานะลงเสียแล้วปรงภาระได้แล้วไม่เกี่ยวข้องกับโยคะกิเลสแล้วและองค์ห้าแห่งนิวรได้แล้ว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 เป็นบรมมบุรุษถึงการบรรลุปารามัตถธรรมแล้วบุคคลนั้นไม่ต้องก่อผลกรรมไม่ต้องกำจัดกำจัดได้แล้วดำรงตนอยู่ไม่ต้องละกิเลสไม่ต้องถือมั่นละได้แล้วดำรงตนอยู่ไม่ต้องเย็บด้วยตันหามิต้องยกตนด้วยมานะเย็บเรียบร้อยแล้วดำรงตนอยู่ไม่ต้องดับไฟคือกิเลสมิต้องก่อดับได้แล้วดารงตนอยู่ ชื่อว่าดํารงตนอยู่ได้เพราะประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอเศษคะด้วยสมาธิขันธ์ด้วยปัญญาขันธ์ด้วยวิมุตติขันธ์ดำรงตนอยู่ด้วยวิมุตติญาณทัศน์ขันธ์อันเป็นอเศษคะแทงตลอดสัจจะแล้วดํารงตนอยู่โดยการก้าวล่วงตันหาอันเป็นเหตุให้วันไหวดํารงตนอยู่โดยการดับไฟคือกิเลสดํารงตนอยู่โดยไม่ต้องเวียนไหวตายเกิด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 ดำรงตนอยู่ด้วยความเป็นผู้สันโดษดำรงตนอยู่ในขันสุดท้ายดำรงตนอยู่ในท่าสุดท้ายดำรงตนอยู่ในอายตนะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในคติสุดท้ายดำรงตนอยู่ในการเถอกำเนิดสุดท้ายดำรงตนอยู่ในปฏิสนธิสุดท้ายดำรงตนอยู่ในภพสุดท้ายดำรงตนอยู่ในสงสารสุดท้าย ดำรงตนอยู่ในวัตฏะสุดท้ายดำรงตนอยู่ในภพสุดท้ายดำรงตนอยู่ในประชุมแห่งขันขั้นสุดท้ายส่งไว้ซึ่งร่างกายขั้นสุดท้ายเป็นผู้ไกลาจากฆาสึกสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระขีนาศกนั้นมีภพนี้เป็นภพสุดท้ายมีการประชุมแห่งขันนี้เป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตาย และพบใหม่ก็ไม่มีอีกคาว่าและเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งอธิบายว่าอมะตะนิพพานตราดเรียกว่าฝั่งเครทาเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดชิ้งอุปธิทั้งหมดเป็นที่สิ้นตันหาเป็นที่คลายกำนัดเป็นที่ดับกิเลสเป็นที่เย็นสนิทบุคคลนั้นถึงฝั่งบรรลุฝั่งถึงส่วนสุดบรรลุส่วนสุดถึงปลายสุด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 อยู่ในอริยวาสธรรมแล้วประพฤติจรณะธรรมแล้วไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าและเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งคำว่าไม่มีกิเลสดุดตะปูตรึงจิตอธิบายว่าราคะโทสะโมหะโกธอุปนาหะอากุศลาพิสังขารทุกประเภทชื่อว่า กิเลสดุจตะปูตรึงจิตกิเลสดุจตะปูตรึงจิตเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วเพอตักขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคออยยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตคําว่าหมดความสงสัยอธิบายว่าความสงสัยในทุกข์ความสงสัยในทุกขสสมไทย ความสงสัยในทุกขนิโรธความสงสัยในทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาความสงสัยในส่วนเบื้องต้นความสงสัยในส่วนเบื้องปลายความสงสัยทั้งในส่วนเบื้องต้นและส่วนเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจสมุบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความสงสัยปริยาที่สงสัยภาวะที่สงสัยความเคลือบแคลงความลังเล ความเห็นเป็นสองฝ่ายสองทางความไม่แน่ใจความยึดถือหลายอย่างความไม่ตกลงใจความตัดสินใจไม่ได้ความกำหนดถือไม่ได้ความหวัดวันแห่งจิตความติดขัดในใจเห็นปานนี้ความสงสัยเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้ว ผู้นั้นตรัสเรียกว่าผู้หมดความสงสัยรวมความว่าและเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิตหมดความสงสัยแล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าบุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพรามผู้จบเวทไม่มีเครื่องตรงวลไม่คล้องในการมาพบข้ามโอฆะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงจิต หมดความสงสัยแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดเครื่องข้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้ว นรชนนั้นเป็นผู้คลายตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามชาติและชราได้แล้วคําว่าผู้มีปัญญาในคําว่านรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทได้แก่ผู้มีวิชามีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทําลายกิเลสคําว่าใดได้แก่ผู้ใด คือผู้เช่นใดหรือมนุษย์ก็ตามคำว่าจบเวทอธิบายว่ายาในมรซีตราดเรียกว่าเวทเขาเก้าร่วมเวททั้งปวงแล้วชื่อว่าจบเวทคำว่านรชนได้แก่ผู้คล้องอยู่นรชนมนุษย์บุรุษบุคคลผู้มีชีวิตผู้เกิดสัตว์เกิดผู้เป็นไปตามกรรมมนุษย์ คำว่าในที่นี้ได้แก่ในความเห็นนี้ในมนุษย์โลกนี้รวมความว่านรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทคำว่าในพบน้อยพบใหญ่ในคําว่าสลัดเครื่องข้องในพบน้อยพบใหญ่นี้ได้แล้วอธิบายว่าพบน้อยพบใหญ่คือในกามวัฏและวิปากวัตฏในกามวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามภพ ในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในกามะพในกามวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปะพบในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในรูปะพบในกามวัฏเป็นเครื่องเกิดในอรูปะพในวิปากวัฏเป็นเครื่องเกิดในอรูปะพในพบต่อไปในคติต่อไปในการเถือกำเนิดต่อไปในปฏิสนธิต่อไปในการบังเกิดของอัตภาพต่อไป ว่าด้วยเครื่องข้องเจ็ดคำว่าเครื่องข้องได้แกเ่กคเครื่องข้องเจ็ดอย่างคือหนึ่งเครื่องข้องคือราคะสองเครื่องข้องคือโทสะสามเครื่องข้องคือโมหะสี่เครื่องข้องคือมานะห้าเครื่องข้องคือทิฐิหเครื่องข้องคือกิเลสเจ็เครื่องข้องคือทุจริตคําว่าสลัดได้แก่ปลด หรือ ส, สลัดเครื่องข้องทั้งหลายได้แล้วอีกในหนึ่งปลดปลื่มหรือสลัดเครื่องข้องคือเครืค่องผูกเคร oque, ああื่องมัดเครื่องผูกพันเครื่องเกาะติดเครื่องเกี่ยวพันเครื่องพัวพันเครื่องผูกมัดทั้งหลายได้แล้วเหมือนคนทำการปลดปล่อยยานคานหามรถเกวียนหรือล้อเลื่อนให้หันเหไปฉะนั้นอีกในหนึ่งปลดปลื้งหรือสลัดเครื่องข้องคือเครื่องผูก เครื่องผูกพันเครื่องเกาะติดเครื่องเกี่ยวพันเครื่องพัวพันเครื่องผูกมัดทั้งหลายได้แล้วรวมความว่าสำหัดเครื่องข้องในพบน้อยพบใหญ่นี้ได้แล้วคําว่านรชนนั้นเป็นผู้คลตันหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามชาติและชราได้แล้วอธิบายว่าคําว่าตันหาได้แก่รูปตันหา สัทตันหาคันทันหารัตันหาโภถะพตันหาและธรรมตันหาตันหานี้ผู้ใดละได้แล้วเคือตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัดเรียกว่าผู้คลายตันหาแล้วเคื่อปราศจากตันหาแล้วเป็นผู้ฉละตันหาแล้วคลายตันหาแล้ว ปล่อยตัญหาแล้วละตัญหาแล้วสลัดทิ้งตัญหาแล้วได้แก่ผู้คลายราคะแล้วสละราคะแล้วคลายราคะแล้วปล่อยราคะแล้วละราคะแล้วสลัดทิ้งราคะแล้วเป็นผู้หมดความอยากแล้วดับแล้วเย็นแล้วมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่รวมความว่านรชนนั้นเป็นผู้คลายตัญหาแล้ว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 คำว่าไม่มีความหวังอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความหวังได้แก่ความกำหนับความกำหนัดนักอภิชาอกุศลมูลคือโลภะความหวังคือตัณหาเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วเพือตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทําให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าไม่มีความหวัง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 ความแก่งหง่อมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆของสัตว์เหล่านั้นๆคำว่านรชนนั้นเป็นผู้คลายตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามชาติและชราได้แล้วอธิบายว่าเรากล่าวคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศว่าผู้ที่ปราศจากตัณหาไม่มีทุกข์ ไม่มีความหวังข้ามคือข้ามไปข้ามพ้นก้่าวล่วงล่วงเลยชาติชราและมรณะได้แล้วรวมความว่านรชนนั้นเป็นผู้คลายตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามชาติและชราได้แล้วด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่า นรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดเครื่องข้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้วนรชนนั้นเป็นผู้คลายตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามชาติและชราได้แล้วพร้อมกับการจบคาถาเนตคูมานกโดยประกาศว่าข้าแต่พระองคูเจริญ พระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกนิตคูมานวะปัญหานิเทศที่สี่จบ 5. โทตกะมานวะปัญหานิเทศ ว่าด้วยปัญหาของโทตกะมานพท่านโทตกะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างยิ่งบุคคลได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้ว พึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลตเพื่อตนว่าด้วยการถามสามคำว่าขอทูลถามในคำว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดได้แก่การถามสามอย่างคือหนึ่งการถามเพื่อทําให้ชัดเจนในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น สองการถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่เคยเห็นแล้วสามการถามเพื่อตัดความสงสัยการถามอีกสามอย่างสามการถามถึงนิพพานคำว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์อธิบายว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์เือทูลขอพระองค์ทูลอัญเชิญให้ตรัสทูลให้ทรงประกาศว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ รวมความว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์คําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคํากล่าวด้วยความเคารพคําว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจิกาบัญญัติคําว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์อธิบายว่าขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายประกาศ รวมความว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์คำว่าดังนี้ในคำว่าท่านโทตกะทูลถามดังนี้เป็นบทสนธิคำว่าท่านเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวโดวยความเคารพคำว่าท่านนี้เป็นคำกล่าวที่มีความเคารพและความยำเกรง คำว่าโทตกะนี้เป็นชื่อของพราหมณ์นั้นชื่อเรียกเฉพาะรวมความว่าท่านโทตกะทูลถามดังนี้คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างยิ่งอธิบายว่าข้าพระองค์มุ่งหวังมุ่งหวังอย่างยิ่งคือต้องการยินดีปรารถนามุ่งหมายมุ่งหวังพระวาจา คือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนของพระองค์คำว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อธิบายว่าพระผู้มีพระภาคชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือพระผู้มีพระภาคทรงสแสวงหาค้นหาเสาะหาศีลขันธ์ใหญ่จึงชื่อว่าทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรงองค์อ่าก่อนรชนประทับอยู่ที่ไหนจึงชื่อว่าทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่รวมความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์คําว่าบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วอธิบายว่าฟังได้แก่สดับเรียนทรงจําเข้าไปกําหนดซึ่งพระตํารัต คือคำที่เป็นแนวทางเทฒนา่าคำสั่งสอนคำพร่มสอนของพระองค์แล้วรวมความว่าบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาในคำว่าพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนอธิบายว่าสิกขาสามคือหนึ่งอธิศีนและสิกขาสองอธิจิตสิกขา สอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขาคําว่าทําเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนอธิบายว่าพึงศึกษาทั้งอธิศีละสิกขาทั้งอธิจิตสิกขาทั้งอธิปัญญาสิกขาเพื่อให้ราคะโทสะโมหะโกทะอุปนาหะของตนดับไปเพื่อความสงบเข้าไปสงบสงบเย็นเพื่อให้ดับเพื่อสลัดทิ้ง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 ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างยิ่งบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดกบกิเลสเพื่อตน พระภาคตรัสตอบว่าโทตะกะถ้าเช่นนั้นเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจงทำความเพียรในที่นี้แลบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนคำว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงทำความเพียรอธิบายว่าเธอจงทำความเพียรเคอจงทำความอุตสาหะความหมั่นเพียรความพยายาม ความทรงจําความเป็นผู้กล้าได้แก่จงให้ฉันทะเกิดเผอจงให้เกิดขึ้นตั้งขึ้นไว้ตั้งขึ้นไว้พร้อมให้บังเกิดให้บังเกิดขึ้นรวมความว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงทําความเพียรคำว่าโทตกะเป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียบพรามนั้นโดยชื่อคำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นคากล่าวโดยความเคารพ คำว่าพระผู้มีพระภาคนี้เป็นสัจจการัญญัติรวมความว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะในคำว่าในที่นี้ในคำว่าผู้มีปัญญารักษาตนมีสติในที่นี้แหลอธิบายว่าในความเห็นนี้คือในความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ทานี้วินัยนี้ ธรรมวินัยนี้ปาพจน์นี้พระมจันน้สัตตุศาสตรน์นี้อัตภาพนี้มนุสยโลกนี้คำว่าผู้มีปัญญารักษาตนได้แก่ผู้มีปัญญารักษาตนคือผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตัดสรุปมีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเป็นเครื่องทําลายกิเลสคําว่ามีสติอธิบายว่า มีสติด้วยเหตุสี่อย่างคือหนึ่งชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายบุคคลนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่ามีสติรวมความว่าผู้มีปัญญารักษาตนมีสติในที่นี้แลคําว่าบุคคลได้ฟังเสียงจากนี้แล้วอธิบายว่าบุคคลได้ฟังสดับเรียนทรงจำเข้าไปกําหนดพระวาจา คือคำที่เป็นแนวทางเทศนาคำสั่งสอนคำพร่ำสอนของเราจากนี้รวมความว่าบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วว่าด้วยสิกขาสามคำว่าพึงศึกษาในคำว่าพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุแบกพิเลเพื่อตนอธิบายว่าสิกขาสามคือหนึ่งอธิศิลสิกขาสองอธิจิตตสิกขา สอธิปัญญาสิกขานี้ชื่อว่าอาธิปัญญาสิกขาคําว่าทําเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนอธิบายว่าพึงศึกษาทั้งอธิศีลแลสิกขาทั้งอธิ จ, จิตสิกขาทั้งอธิปัญญาสิกขาเพื่อให้ราคะโทสะโมหะโกธาอุปนาหะของตนดับไปเพื่อความสงบเข้าไปสงบสงบเย็นเพื่อให้ดับเพื่อสลัดทิ้ง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 เมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึงประพฤติประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสะมาทานประพฤติรวมความว่าพึงศึกษาทำเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโธตกะถ้าเช่นนั้นเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติ